50 Languages อดีตการส่านอลูม ดิฉันอ่านแล้วมอลูเกซินมอลูเกซินดิฉันอ่านหนังสือนิยายทางเรื่องแล้วมอลูเกซินเทอร์เวรมนลิมลูเกซินเทอร์เวรมนลิเข้าใจมสต์มสต์ดิฉันเข้าใจแล้ว ม a m ม i s t สิ n น a m เ i s ่ s i n ดิฉันเข้าใจข้อความทั้งหมดแล้วมาเมื่อสิ้นเทอร์เวตเต็ก m ์ตีม s เมื่อสิ้นเทอร์วตเต็กซตีตอบวอสต้ามาวอสต้ a มาดิฉันตอบแล้วมาว a สต้าสินมวสตสิน ดิฉันตอบคำถามทั้งหมดแล้วมาวอ s ต์เต n ินกุยกิเลกุสีมุสเ่ดิฉันทราบแล้วดิฉันได้ทราบแล้วมอทอตดิฉันเขียนดิฉันได้เขียนแล้ว Ma k i r j u ต a n seda. Ma k ิ r j u t a s i n s น d a Ma kirjutan s e เซ Ma k i r ิ u t ย s i n ตสินเซตาฉันได้ยินี่ฉันเคยได้ยินแล้วมาคู่ลันเซตามาคู่ล์สินเซตามาคู่เซตมาูลสินเตาฉันกำลังไปรับี่ฉันได้ไปรับแล้ว มาต้งเซ็ลระมาตุนเซลระมาต้งเสร็จแมาตุ้งเซร็จแล้วดิฉันกำลังนำมาดิฉันได้นำมาแล้วมาต้เซ็ลมาตุ้งเซ็ละมาต้นเซ็ละมาตุ้งเซ็จล่ดิฉันซื้อดิฉันได้ซื้อแล้วมาอุตส่าหเซล มาอิสตินส elle มาอัตสันส elle มาอิสตินส e l e ดิฉันคาดไว้ว่าดิฉันได้คาดไวแล้วว่ามาอุตันเซตามาอตินเซตามาอดตันเซามาอตินเซาดิฉันอธิบายดิฉันได้อธิบายแล้วมาเซเลตันเซตา ม a s e l e t ัดสินเซตามาเล่าตัดสินเซตามาเล่าตัดสินเซตดิฉันรู้ดิฉันรู้แล้วมาตุ n n e น้นเซตามาต n s i n s e เซ ma มาตุ e n เน้นเซตามาตุ้นสซต